ความไม่ประมาทนี่หมายถึงว่าผู้อยู่ไม่ปราศจากสติในกุศลรธรรมทั้งหลายหมายถึงว่าขณะที่สติเกิดขณะนั้นจิตต้องเป็นกุศลเพราะความที่ไม่ปล่อยให้กุศลเนี่ยหลุดไปเนี่ยนะประคับประคองกุศลให้เป็นปายอย่างต่อเนื่องอันนั้นแหละเรียกว่ามีสตินั้นผู้ที่มีสตินั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อความประมาทที่ท่านกล่าวไว้ในบาลีนี้ ทีนี้ที่เราจะเข้าใจถึงคําว่าไม่ประมาทจะต้องรู้จักความประมาทความประมาทคืออะไรคือทํากุศลเนี่ยนะกุศลคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยทาโดยไม่เคารพเจริญศีลสมาธิปัญญาก็ทําไม่แบบไม่ต่อเนื่องทําแบบไม่มั่นคงประพฤติแบบย่อหย่อนท่อฉันทะหมายความว่าไม่เต็มใจทําเลยฉันท่าแปลว่าความเต็มใจใช่ไหมไม่มีฉันทะเลยทอฉันทะไม่เต็มใจเจริญ ศิขาทอดทุระก็ไม่เอาใจใส่ไม่เอาเป็นการเป็นงานในการเจริญกุศลไม่เสพไม่เจริญไม่ทำให้มากการไม่ตั้งใจการไม่ประกอบเนืองๆนืองความเลินเล่อในการประกอบกุศลธรรมทั้งหลาย น, นะความประมาทความเลินเล่อความเป็นผู้เล่นเล่อเห็นตาณ น, นี้ใดอันนี้เรียกว่าประมาท อันลักษณะของการประมาทก็คือพยายามไม่ตั้งใจที่จะสมาทานกุศลแล้วประพฤติกุศลใดที่ทําก็สักแต่ว่าทําไปอย่างนั้นแหละหนี่นะเชื่อว่าความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายก็ตรงกันข้ามใช่ไหมตรงกันข้ามลักษณะก็คือกระทําในกุศลโดยความเคารพ น, น, นะเจริญศีลก็ทําโดยความเคารพอบรมสมถาวิปัสนาก็ทําด้วยความเคารพ ทำก็ทําอย่างต่อเนื่องอนะให้กุศลศีลสมถาวิปัสนาต่อเนื่องทําให้ศีลมั่นคงสมถาวิปัสนามั่นคงยิ่งขึ้นประพฤติศีลสมาธิวิปัสนาแบบไม่ย่อหย่อนเต็มใจในการประพฤติกระว่มไม่ทอดฉันทะเลยไม่ทอดธุระคือเอาเป็นการเป็นงานานะแล้วก็เสพเจริญทําให้มากตั้งใจประกอบเนืองในการอบรมกุศลลักษณะนี้เรียกว่า ไม่ประมาทมันไม่ประมาทนิสมาทานให้ศีลขันที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นตั้งไว้เลยที่เกิดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อมุ่งอนุเคราะห์ให้ศีลขันเหล่านั้นเจริญมั่นคงตั้งมั่นอยู่ยาวๆมากๆสมาธิขันตัญญาขันวิมุติขันวิมุตติยานทัศนขันก็ในยะเดียวกันตั้งไว้เพื่อจะรู้ยิ่งกาหนดรู้ละเจริญ ทำให้แจ้งเนนะก็ในมหานิเทศท่านอธิบายไว้อย่างนั้นเพระนั้นโยคอธิบายนียกมาจากมหานิเทศเพรา ะ, ะนั้นความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทนั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุกุศลนานัปการนะถ้าไม่ประมาทอย่างเดียวนะสติประธานสีก็จักได้สัมมาประธานสี่ก็จักได้อิทิบาสีก็จักได้อินรีห้าพละหโพชฌงเจ็อริยมรรคมีองแปดส ม, มถาวิปัสนาวิชาวิมุติได้หมดเลย ขอให้ไม่ประมาทเถอะกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็จกเกิดขึ้นและเป็นเหตุบรรลุอมตะนิพพานอันนะพระนิพพานก็ไม่ไกลนักอั้นความไม่ประมานนี้เป็นเหตุใกล้ต่อพระนิพพานในข้อนั้นพึงระลึกถึงคําสอนของพระศาสดาเป็นต้นอย่างนี้ว่าผู้ไม่ประมาทผู้มีความเพียรนะก็ไม่นานใช่ไหมจากสิ้นอาสาวะหรือ ความไม่ประมาทเป็นอมตะ บ, บทหมายว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายในอัปปมาทวักนั่นะอันถ้าใครต้องการดูเนื้อหายอย่างพิสดารก็ดูในอัปปมาทวักในคาถาธรรมบทเล่มที่40นะเล่ม40อัปปมาทวักมีเรื่องนางภาษามาวดีเป็นต้นนั้นก็เรื่องของความไม่ประมาทมีอยู่ส0เรื่องด้วยกั น, เ, น, เ, นเล่มสี่นะคาถาธรรมบท แล้วก็ความไม่ประมาทเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเป็นธรรมที่นิโครธสัมมานีนแสดงให้พระเจ้าโศกฟังนะแสดงให้พระเจ้าโศกฟังก็อัปมาโทอมตังปะปะทังปะมาโทมัจจุโนปะทังเนี่ยนะความประมาทเป็นทางแห่งความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยนะผู้ที่ไม่ประมาทชื่อว่าไม่ตายผู้ประมาทก็เหมือนกับคนตายแล้วเนี่ยนะอย่าปล่อยให้ผีเดินได้กันแล้วกัน ก็เมื่อใดที่ประมาทก็อะไรเดินได้ก็ไม่ใช่จะว่ามนุษย์เพราะมนุษยธรรมไม่มีในตอนนั้นะนะจะเรียกว่ามนุษย์เดินได้ก็กระยูในคาถาดังกล่าวทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วอารตีวิรตีปาปามัชฌปานาจาัสนยมนโมอปมาโทจะทมเมสุเอตมังคลมุตมังน่งนะในคาถานี้มีอยู่3มงคลนะมงคลที่แรกคืองดเว้นจากบาปสอง การสํารวมจากการดื่มน้ำเมาสความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเอตัมมังคลมุตตมังนั่นเป็นเหตุแห่งความเจริญนะถ้าประสงค์ความเจริญก็ปฏิบัติไปตามนี้แหละจักประสบความเจริญได้ไปกี่มงคลแล้วย1สบเ็ดมงคลแล้วนะยี่สบดมงคลนี่มาขึ้นมงคลที่ว่ามีค่ามากต่อการปฏิบัติก็คือคา โจอีวาโตจะสามสันะตถจักกตันยุตากาเลนะธรรมะสวังเอตัมมังคลมุตตะมังนนมีอยู่ห้ามงคลด้วยกันนะหนะึนะ่งคารวโคารวะเคารพนะนีคารวโก็คารวะเคารพนั่นเองสองนิวาโตประพฤติถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนนะนะสมสันตถีสันโดษสี่กตันยูห้าการฟังธรรมตามการ เราก็ฟั ง, ฟงทำตามสมัยเอต ม, มังคลมุต ม, มังแต่ละอย่างนี่เป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งนั้นเลยมาดูคําอธิบายในหน้า198กล่าวาวาา่าความเคารพการทำความเคารพความเป็นผู้มีความเคารพตามสมควรในพระพุทธเจ้าพระประเจกพพุทธเจ้าสาวกของพระตถาคตอาจารย์อุปชามารดาบิดาพี่ชายพี่สาวเป็นต้นเป็นผู้ควรประกอบความเคารพเชื่อว่าคารวะนนะ คือตั้งบุคคลเหล่านี้เอาไว้ในฐานะที่หนักแน่นเรียกว่าเคารพคารวะนี้นั้นเป็นเหตุที่เป็นเหตุแห่งการไปสู่สุขตินะความเคารพนัเป็นเหตุแห่งสุขติเลยบุคคลกระทาความเคารพผู้ที่ควรเคารพสักการะผู้ที่ควรสักการะนับถือผู้ที่ควรนับถือบูชาผู้ที่ควรบูชาตรงนี้นิชชี้ชัดเลยใช่ไหม เดี๋ยวไปเคารพสิ่งที่ไม่ควรเคารพเข้าและยุ่งมากเลยนะที่ปัญหาตอนนี้ก็คือเคารพในสิ่ในผู้ที่ไม่ควรเคารพสักการะผู้ที่ไม่ควรสักการะนับถือผู้ที่ไม่ควรนับถือบูชาผู้ที่ไม่ควรบูชาอันนี้มันอับประมงคนเนี่ยทีนี้บางคนก็บอกเข้าเคารพเข้าเคารพแต่สําคัญมากทางธรรมะถือว่าผู้มีคุณควรแก่การเคารพนับถือและบูชาตรงนี้เป็นสาระสําคัญนะเพราะกรรมนั้นคือ เพราะการเคารพ บ, บูชาผู้ที่สมควรเนี่ยนะก็ก็คงไม่ผิดเพี้ยนกับข้อปูชาจะปูชนียานังอ่ะนะเป็นมงคลแนวเดียวกันทั้นการเคารพ บ, บูชาผู้ที่ควรบูชานั้ น, น่ะนะที่ยึดถือไว้บริบูรณ์อย่างนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ผลแห่งบุญอันนี้นะทำให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าเขาไม่ถึงสุคติโลกสวรรค์หากเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีตระกูลสูงในประเทศที่กลับมาเกิดเรียกว่าเป็นคนเรียกว่าเป็นคนที่คนจะต้องเคารพนับถือและบูชาเป็นคนที่คนทั่วๆไปเห็นแล้วก็ต้องหลีกทางให้เพราะนั้นเนอะเพราะเป็นคนที่ควรแก่การเคารพและยำเกรงอันนี้อยู่ที่ไหน อยู่ในจุลกรร ม, มวิพังคสูตรเนี่ยนะที่กล่าวว่าอย่างนี้ว่าการเคารพผู้ที่ควรเคารพสักการะผู้ที่ควรสักการะนับถือบูชาผู้ที่ควรนับถือบูชาเนี่ยนะอันนี้เป็นเหตุแห่งสุคติโลกสวรรค์กลับมาเป็นมนุษย์ก็ตระกูลสูงตระกูลสูงเพราะฉะนั้นนี่ชาติตระกูลนี้ก็นับว่าสําคัญมากในหมู่มนุษย์ทั้งหลายถ้าประเทศไทยนะบางคนก็พอมองเห็นอยู่แต่ถ้าอินเดียนี่เห็นชัดเลยนะแต่เกิดตระกูลบางอย่างเข้านี่ก็เดือดร้อนแน่เขาไม่ให้ดื่มน้ําบอกเขาหรอก นั่นเอก็ความเคารพนี้ก็สําคัญนะเราก็เคารพ บ, บูชาพระพุทธเจ้าใช่ไหมผู้ที่ควรแก่การเคารพนะอิติปิโสภควาเนี่ยสวดไปเถอะถ้าเข้าใจแล้วก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรเคารพที่สุดเลยนะถ้าเคารพไปตามนั้นนี้ก็เป็นมงคลโดยส่วนเดียวถ้าเคารพก็เคารพอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เคารพทั่วไปหมดเลยนะใครจะว่าไงก็เชื่อเขาไปหมดเคารพทําตามหนักแน่นไปหมดอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเลยนะอยู่ถ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์บอกให้ทํำยังไงแล้วทําตามนะไม่เสียหายแต่ถ้าไปเคารพไปนับถือผู้ที่ไม่ควรกับการเคารพไปทําตามเขาบอกหมดเลยนะเสียหายอย่างมากเช่นไปเคารพนับถือมิจฉาทิฐิบุคคลเนี่ยนะถ้ายิ่งเชื่อมากทําตามมากเสียหายเท่านั้นแต่ถ้าไม่ทําตามยิ่งไม่ทําเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นะนะมีอยู่นในปาสาที่กะสูตรเนี่ยแสดงไว้อย่างนั้นเลยว่า ถ้ามิจฉาทิฐินะถ้ายิ่งไปทําตามเนี่ยยิ่งเสียหายเท่านั้นนีนะแต่ถ้าไม่ทําตามดีสัมมาทิฐิถ้าทําตามดีถ้าไม่ทําตามเสียหายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาแยกแยะให้ดีเพราะนั้นบุคคลที่ควรเคารพนับถือเป็นต้นเนี่ยจะต้องแยกแยะให้ดีทีนี้เราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าบุคคลใดควรนับถือไม่ควรนับถือเอาอะไรเป็นเครื่องวัดง่ายๆย่อย่ที่เราคุ้นเคยบ่อยมากนะเอาศีลเป็นเครื่องวัดหนึ่งนะศีล 2. สมาธิสปัญญาสี่วิมุตหวิมุตติญาณทัศนะอย่างสิ่งนี้พระพุทธเจ้ามีบริบูรณ์ใช่ไหมสาวกก็มีโดยเอกเทศมีเป็นบางส่วนทั้งเราก็นับถือตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆหรือเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมเจ็ประการนี้เจประการเป็นไง น, นะถ้าใครไม่อยากเสื่อมนะให้เคารพเจ็อย่างนี้หนึ่ง เป็นผู้มีความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. มีความเคารพในพระธรรม 3. ม, มีความเคารพในพระสงฆ์4มีความเคารพในศิษยาภลมีความเคารพในสมาธิ 6. ทำความเคารพในความไม่ประมาท 7. ทำความเคารพในปฏิสันทาน เพ้ผู้ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าหวังเลยเลยว่าเขาจากมีศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นต้นนี่ข้อแรกนะสองทําความเคารพในพระธรรมว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยที่มีปัญหาก็คือไม่เคารพในพระธรรมก็เลยปฏิเสธพระธรรมนั่นแหละนี่ที่ที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง ถ้าเราดูดูไปแล้วนะมันอับประมงที่เสียหายนะโดยมากและอับประมงคคนเพราะไม่ขาดความเคารพอันนี้หนึ่งไม่เคารพพระพุทธเจ้ากล้าปฏิเสธคําของพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมที่พระองค์ตรัสไปดีแล้วสก็ไม่เลื่อมใสในผู้ที่ปฏิบัติตีก็ไม่เคารพนพระสงฆ์ที่สําคัญก็ไม่เคารพนายเสกขาอีกนะไม่เคารพในอธิรรสิลเสกขาที่จิตเสกขาและอธิปัญญาเสกขาไม่เจริญเสกขาเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง นี่ต่อไปก็ไม่เคารพในอะไรสมาธิอ่ะนะก็ไม่เจริญสมาธิละเลยสมาธิไม่สนใจในความในกรรมฐานนี่เาเรียกว่าขาดความเคารพเนี่ยนะไม่เจริญในาศาสนารอกแล้วต่อไปอีกไม่เคารพในความไม่ประมาทนะก็แสดงว่าประมาทมากใช่เพราะไม่เคารพในความไม่ประมาทแล้วก็สำคัญนะไม่เคารพในปฏิสันฐานปฏิสันฐานเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าอ่าพวก ปฏิสันฐานแบ่งออกเป็นสองใช่ไหมอมิตรปฏิสันถานกับธรรมะปฏิสันถานถ้ามีปฏิสันถานเนี่ยคำว่าปฏิสันถานเหมือนอุดช่องโว่ไงเหมือนอุดช่องโวกันปฏิสันถานเนี่ยถ้าเอาอมิตรมาอุดหรือเอาธรรมะมาเป็นเครื่องอุดช่องโวเพราะนั้นปฏิสันถานนี่เหมือนอุดช่องโว้อะนะจะได้ไม่มีระหว่างทีนี้เกี่ยวกับเรื่องความเคารพเนี่ยนะในเจ็ดประการเนี่ยจะว่าสิ่งเดียวกันก็คือสิ่งเดียวกันเพราะพระองค์ตรัสว่า เมื่อบุคคลเคารพพระพุทธเจ้าเป็นฐานะที่จะมีได้ว่าเขาเคารพพระธรรมแต่ถ้าเขาไม่เคารพพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะที่จะเขากระเคารพพระธรรมถ้าเขาไม่เคารพพระพุทธพระธรรมไม่ใช่ฐานะที่จะเขาจะเคารพพระสงฆ์ถ้าเขาไม่เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ฐานะที่เขาจะเคารพในศิกขาถ้าไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาไม่ใช่ฐานะเลยที่เขาจะเคารพใน สมาธิถ้าเขาไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาในสมาธิไม่ใช่ฐานะที่จะเขาจะเคารพในความไม่ประมาทถ้าเขาไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาในสมาธิในความไม่ประมาทไม่ใช่ฐานะที่เขาจะเคารพในปฏิสันธ์เพราะอะไรเพราะว่าบุคคลใดที่เคารพพระพุทธเจ้าชื่อว่าเคารพพระธรรมด้วยบุคคลใดที่เคารพพระพุทธรธรรมก็จะชื่อว่าเคารพในพระสงฆ์ด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง เกี่ยวเนื่องกันนะในสัจจกะสูตรอังคุตรนิกายสัตจกะนิบาศ ท, ที่ภาษาริบุตรกล่าวถึ ง, น, งนะนะพันผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ด้วยความเคารพเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวเราลองมาไล่ดูว่าเราขาดความเคารพอะไรบ้างนะถ้าขาดความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็บอกว่าเข้าไปในลานเจดีย์แล้วไม่ถอดรองเท้าเป็นต้นเรียกว่าขาดความเคารพในพระพุทธเจ้า ฟังทำแบบตื่นบ้างหลับบ้างฟังอันนี้ก็เรียกว่าไม่เคารพในพระธรรมเห็นพระสงฆ์แล้วก็หึงพระต้องหลีกทางให้เป็นต้นเนี่ยนะนี่แหละถ้เรียกว่าท่านว่าไม่เคารพในพระสงฆ์สิขาสามก็มีบ้างขาดบ้างส่วนใหญ่ก็ขาดนี่แหละไม่เคารพในสิขาสมาธิไก่กระดิกหูงูแล็บลิ้นก็ไม่ค่อยเจริญอันนี้ก็ไม่เคารพในสมาธิใช่ไหมไม่ประมาทในกุศลเนีกุศลต่อเนื่องไหมเนี่ยนะ ปฏิสันฐานเนี่ยอมิตรปฏิสันถานธรรมปฏิสันฐานอะไรมีบ้างล่ะก็ดูตามนั้นว่าควรไหมที่จะเจริญ น, นะมงคลข้อ น, นี้ก็สําคัญนะควรที่จะประพฤติให้ดีนะคะ า, าราวะเจ็ดนะคะาราวะเจ็ดพระองค์ตรัสว่าเป็นอปริหานิยธรรมเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมด้วยหานะแปลว่าเสื่อมนะอปริหานิยก็แปลว่าธรรมที่ไม่เสื่อมเลยเออ ความจริงข้ออื่นๆทั้งเจข้อนี้นะครับมีข้อที่น่าที่น่าสงสัยคือเรื่องอความไม่เคารพในสมาธินี่นะครับท่านอาจจะบางท่านอาจจะมองภาพภาพผิดไปนะคือการไม่เคารพในสมาธินี่แต่ก่อนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับ ว, ว่าเราไม่ค่อยเคารพในสมาธิ ใครเคารพสมาธิบ้างครับใครเคารพสมาธิยกมือขึ้นหน่อยเจ้าของศาลไหนไหนไหนยกมือหนครับเคารพสมาธิหมายความว่ายังไงอธิบายผมฟังนิดหนึ่งเวลาเวลาเห็นอะไรก็มีสติ เป็นวิปัสนาเป็นอารมณ์อะค่ะระลึกรู้ระลึกรกรู้ก็หมายความว่าถ้าเห็นใครเห็นสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์แล้วก็ถ้าไม่มีสติเจริญสติปัะฐานขนาดนั้นชื่อว่าชื่อว่าไม่เจริญสมาไอ้ไม่เคารพในสมาธิใช่ไหมเออนึ่เอาคนอื่นบ้างครับให้อาจารย์หายเหนื่อยหน่อยับ ให้การติดต่อไปยศหลอดขาดอยู่นะเนาะใครมีความเห็นไงบ้างครับกวไม่ก้เจิญครับกระั บ, บท่านพร ะ, ะ, ะคุณเจ้าค่ะแล้วก็ การทุกท่านค่ ะ, ะสมาธินี่พูดถึงสมาธิก็มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าบางทีจิตเราฟุ้งซ่านนะคะหรือว่าเรามันความแบบว่าทําความสงบทางใจไม่ได้ถ้าหลาวว่าเราไปนั่งสมาธิสักพักหนึ่งแล้วก็ไข้ควรถึงพุทธคุณมั่งปัญนาปัญญาคุณมั่งพระบริสุทธิคุณมั่งก็แล้วก็ อ, อย่างพระพุทธองคสอนอะไรบ้างก็ไข่ควรไปแล้วก็จิตมันจะสงบพอจิตสงบมันก็ มันก็แบบว่าความฟุ้งซ่านก็หายเคยไม่สบายนะคะเคยแบบว่าเป็นแบบเหมือนไมเกรนค่ะปวดหัวมากเลยแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ไปนั่งนั่งทําจิตให้ว่างทักพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็หายโดยไม่ต้องทานยาเลยแต่ก็เป็นบางคนบ้างแต่ของหนูเองมันเป็นอย่า ง, างนี้อ่าโอ้ข้อที่ข้อที่ใครใครครับใครไหมฮะมีใครไหมครับ คุณวิลาวันไม่โชว์บ้าง่ะคุณวิลาวันชับเคยเคารพสมาธิไหมเ อ, ออ้อาจารย<ด>์พั ก, กหน่อยครับเชิญครับออย่างนี้จะใช่ไหมคะท่านผุ้บปุหันคือ เรามีความเห็นว่าเราจะสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยสมาธินี่เป็นการไม่เคารพสมาธิอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเข้าท่าทีเดียวนะโอค้คุณย่านี่เก่งนะเอาใครอีกครับอ้าวเออเอาเชิดครับเจอดครับข้างหลังหน่อยครับข้างหลังหน่อยครับ ใครไม่เคารพความมีอารมณ์เดียวนี่เป็นผู้สนครับอเอาหนึ่งนั้นก็อีกนั่นะก็อีกอีกแง่นึงนะเอาใครครับเชิงครับ ถ, ถ้ามีสมาธิแล้วนิวรณ์ห้าไม่รบกวนเลยค่ะเลยครับครับก็ต้องเคารพใช่ไหมครับแล้วเคารพเคารพยังไงบ้างครับเคารพยังไงครั บ, ร บ, งงรบวิธีเจริญหรือไงครับเคารพแบบไหนครับ การเคารพก็คือว่าการเจริลด้วยการทำให้รู้แจ้งตรงตรงสมาธินะคะคจิตจะเป็นอารมณ์เดียวตรงนั้ น, นะคะ่ะขอบคุณนะใครคะัะมีอีกไหมมีอีกไหมครับเชิญนะหมอหมอใ น, อ ใ, นในทัศนผมคิดว่าถ้าถ้าจะเคารพสมาธิเนี่ยขั้นแรกควรจะศีลดี หมายถึงมีศีลดีมีอวิปปะติสารนี่นะมีความสุขตามสมควรแล้วก็เจริญทีนี้ถ้าถามว่าสมาธิในที่นี้หมายถึงอะไรในทัศนะผมเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าสมาธิที่จะต้องเจริญคู่กับวิปัสสนาเป็นยุคของเราทเพราะนั้นถ้าจะเคารพสมาธินี่ก็คิดว่าศีลต้องดีแล้วก็ก็จเจริญสมาธิควบคู่ไปด้วยอดี๋ยสมควรยังไงก็แทนจังหวัดลำปางพูดไปแล้วใครครับ <laughs> ใครจะมีไหมครับ กรุงเทพคอนแสดงไปแล้วให้คุณสุจินมั่งเพราะเมื่อกี้คุณสุจินอบอกว่าผมง่วงๆเนี่ยไม่เคารพพระธรรมแอบได้ยินนะ <laughs> <laughs> เอาตอนนี้จังหวัดแพร่ครับจังหวัดแพร่อย่างเช่นเราเจออารมณ์อะไรก็ตามนะคะเราก็จะบรรณาสิการไปในกรรมฐานต่างๆที่เราได้เรียนไปซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับโยนิโสมมรรณาสิการที่เรามีอย่างเช่น เราจะช่วยใครสักคนเนี่ยเราอาจจะเจริญยกเมตตา ก, กรรมฐานขึ้นมาเจริญทมปิหานสี<ม>หรือว่าเราเจริญมรณาโนสติ<ม>คือคือเข้าใจอย่างนี้นะคะ<ม>นี้ค่ะ อ, อีกนิดนึงนะครับ<ม>อีกนิดนึงก็คือว่าต ถ, ถ, ถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเคารบสมาธิเนี่ยสมาธิก็จะเป็นเครื่องขัดเกลาหนิวอน<ม>ตามสมควรครับ เก่งมากเอางั้นท่านอาจารย์เฉลยครับเอาพูการสรุปสก่อนยังยังไม่เฉลยต้องสรุปก่อน <laughs> <c oughs> คือถ้าพูดถึงเรื่องสมาธินะฮะตามความเข้าใจของผมนะฮะสมาธิเนี่ยเป็นคํารวมๆนะฮะอันที่จริงก็ได้แก่จิตตะศิขานะครับได้แก่จิตตะศิขานะฮะเพราะฉะนั้นในไตรสิกขาเนี่นะฮะถ้าหากว่าเราเราไม่เคารพ นะหรือเราสงสัยในไใจสิกขาเนี่ยนะหรือเรามีความสงสัยในไใจสิกขาเนี่ยนะสิกขาใดสิกขาหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ขาดความเคารพเราก็ไม่เจริญนะครับเช่นสมาธิเนี่ยเป็นคํารวมๆซึ่งใต้แก่สมาธานั่นเองนะฮะโดยเฉพาะอนุสติเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยถ้าผู้ใดรังเกียจอกุศลในชีวิตประจําวันนะครับผู้นั้นจะเคารพสมาธิจะเจริญเมตตาจะเจริญ อนุสติทั้งหลายจะเจริญธรรมานุสติสังข า, านุสติพุทธานุสติที่ท่านจเจริญกันแล้วนี่แหละครับนี่เป็นการเคารพในสมาธิในความเป็นนุ่มผมนะครับท่าอาจารย์ตัดสินก็พระผู้มีประภาคสอนให้เจริญเมตตาเพื่อกําจัดอะไรโทรสะท่านผู้ใดที่รังเกียจโทสะก็ให้อยู่ด้วยเมตตาเนี่ย เมตตาวิหารีเนี่ยนะให้อยู่ด้วยเมตตาเป็นไปกับเมตตาถ้าผู้ใดรังเกียจราคะก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในอสุภะกรรมฐานเช่นกายคตาสติเป็นต้นเนี่ยนะก็มาปราบอสุภะทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองถ้าใครรังเกียจความฟุ้งซ่านอกุศลวิตกตรึกไปเรื่อยก็ให้เจริญอานาปานสติถ้าใครผู้ที่มัวเมาอยู่ด้วยความประมาทก็ไม่หมันระลึกถึง มรณะ น, นุสติมันพวกนี้ก็มันปรารบตามนั้นให้บ่อยๆมากๆก็ชื่อว่าเคารพในสมาธินไหมคือเราเนี่ยมันมันคิดอยู่แล้วละ่ะแต่มันคิดอะไรคิดไปตามอํานาจของอกุศลวิตกทั้งหลายอันนั้นไม่ควรเพราะนิวรมันกลุ้มลมคิดเอากรรมะฐานอะไรที่มาปรารบแล้วนิวรไม่กลุ้มลมนั่นแหละเรียกว่าเคารพในสมาธิเพราะว่าผู้ที่ขาสมาธิเนี่ยนิวรมันกลุ้มลม ันแทนที่จะปล่อยให้นิวลณ์กลุ่มรวมก็ให้เป็นไปกับสมาธิให้เป็นไปกับกรรมฐานในการเจริญสมาธินั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะต้องต้องมองว่าสมาธิเปรียบเหมือนยาลดอาการเป็นยาลดอาการเนี่ยนะถ้าอาการของโทสะมันเกิดก็เมตตา ม, มาลด้าราคะาเกิดก็อสุภะเป็นเครื่องลดเนี่ยนะแต่ถ้ากินยา4ี่ห้าอย่างเนี่ยสลับกันตลอดเวลาไข้ไม่กาเริบเนี่ยนะก็ ถ้าบริหารได้อย่างอย่างนี้ยาวๆอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นบาตรอย่างดีในการพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะ